เราใครมีมือถือนะปิดเสียงซะนะเมื่อวานร้องกันเรื่อยๆเพศไปร้องไปนะทุกวันนี้เราเสียอิสระภาพมากขึ้นทุกทีคนมันมาค่วนเราได้ตลอดเวลามือถือเนี่ยเราเสียอิสระมากนะทุกวันนี้คนมันตามเราได้ตลอด เราหมดความเป็นส่วนตัวนะไปเยอะแต่ว่าเหงาเยอะทุกวันนี้คนเยอะกว่าสมัยก่อนนะตอนลวงพ่อเด็กๆนะคนมีอยู่ยี่สิบกว่าล้านเองคนอบอุน่นเดี๋ยวนี้คนเยอะแต่ว่าคนแปลกหน้าไปหมดเลยสังคมมันเปลี่ยนสังคมมันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วล่ะเราห้ามมันไม่ได้ไปหยุดมันไม่ได้ จะต้องทำความเข้าใจมันไม่ตกเป็นธาตุมันสังคมนิ่มกระตุ้นให้เราบริโภคแบบไม่มีเหตุผลอะไรยิ่งเราบริโภคมากก็เป็นหนี้มากเขาค้าขายเข้ากำไรแต่ว่าเราลำบากทำงานใช้หนี้กันอุตรุษเลยพยายามสร้างค่านิยมนะว่าเป็นหนี้แล้วดีนะมีเครดิตพระพุทธเจ้าสอนนะเป็นหนี้แล้ว เ, เป็นทุกข์ในโลก ความเป็นหนี้เาเป็นหนี้มากมายนะบางทีไม่ใช่เป็นหนี้เรื่องเงินเป็นหนี้ทางจิตใจเป็นหนี้บุญคุณ น, นี่อะไรนะใช้กันไม่รู้จักจบหรอกเป็นอย่างพ่อแม่เราเลี้ยงเรามาตั้งแต่เล็กโตให้การศึกษาให้นอนให้นี่มาให้มาฟรีๆก่อนถือว่ามีบุญคุณเยอะเป็นหนี้ที่เราใช้ไม่หมดนะ วิธีที่จะใช้หนี้ให้หมดได้มีอันเดียวสำหรับพ่อแม่นะก็คือการให้ดวงตาเห็นธรรมกับพ่อแม่ให้ธรรมะทำไมถึงทดแทนกันได้กับบุญคุณของพ่อแม่พรา พ, พ่อแม่เนี่ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกับเรามาเราได้ตาหูจมูกลิ้นกายมาจากพ่อแม่งั้นเราให้ธรรมาจากสุกับพ่อแม่เนี่ยถือว่าเสมอกัน งั้นเป็นทางเดียวแล้วที่เราจะทําได้นี่เราจะแทนคุณพ่อแม่ได้เราก็ต้องมีธรรมมา ก, ก่อนนะเาหาธรรมมากไปให้พ่อแม่รู้ค่อยๆสอนไปสอนคนแก่ยากกว่าสอนเด็กนะสอนเด็กนี่ไม่ต้องทําอะไรทําให้ดูไปเรื่อยๆสอนคนแก่นี่ยากคนแก่จะมองเราเด็กตลอดการพวกเราใครอายุห้าสิบแล้วมีไหมที่พ่อแม่ยังอยู่มีไหมอายุห้าสิบแล พ่อแม่รู้สึกเราเด็กไหมเด็กเนาะยันฟันเราชักหักแล้วยังยังเด็กอยู่เล ย, <c oughs> ยนี่เรามาศึกษาธรรมะนะนอกจากช่วยตัวเองได้แล้วเลยช่วยคนที่เรารักหรือช่วยคนที่รักเราได้ด้วยนะไม่มีอะไรเป็นของขวัญที่ดีที่พิเศษเหมือนธรรมะหรอกของอื่นให้ไปนะช่วยใช้ประเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วล่ะซื้อเสื้อไปให้นะใช้ไปรเดี๋ยวเดียวก็พังเลยละเปื่อยไปนะ ปีสองปีก็ใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยซื้อข้าวของให้ซื้อของกินให้เนี่ยก็จิตหมดละให้ธรรมะเนี่ยเป็นของที่ติดเนื้อติดตัวไปไม่รู้จกักจบจักสิ้นในวัฏตะเนี่ยงั้นเราพยายามมาศึกษาธรรมะให้ได้สักก่อนให้เข้าใจสักก่อนเราเข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆเผื่อแผ่ไปสู่คนรอบๆตัวเราสร้างสังคมในบ้านให้ร่มเย็นขึ้นมาในบ้านของพวกเรา บานไหนยัง่าร้อนอยู่ป้ะยกมือสิมีไหมยัยงร้อนอยู่นะเราต้องเย็นให้มากกว่านี้อีเราต้องดีกว่านี้อีกถึงจะเปลี่ยนคนรอบๆตัวได้ถัดจากนั้ น, นก็จะขยายไปสู่คนรู้จักอย่างหลวงพ่อภาวนานะตอนเป็นโยมก็พาแม่บ้านภาวนาอย่างเงี้ยขยายไปพ่อภาวนาอย่างเงี้ย ส่วนแม่พอนํานไม่เป็นส่วนกระทั่งหลวงพ่อพูดใส่ซีดีไว้นะหลวงพ่อสอนคนทั้งบ้านทั้งเมืองได้ตั้งเยอะแยะเนี่ยมีโยมแม่เนี่ยสอนไม่ได้แม่ไปได้ยินซีดีแท็กนี้เขาสะทวนใจอย่างแรงเลยตั้งหน้าตั้งตาฟังซีดีทุกวันเลยเลยนะี่ย <laughs> บอกตรงๆไม่ได้เนี่ยบอกคนรอบๆตัวกันนะพอไปอยู่ที่ทำงานเนย เขาเห็น่เราผ่องใสเราเบิกบานมีความสุขอยู่ได้ยังไงนะคนอึ่งเขาเคร่งเครียดแล้วนะเราก็เบิกบานของเราอย่างนีน้หน้าตาสดชื่นเขาก็เริ่มถามนะว่าทำอะไรมาเราก็ค่อยๆเล่าวันละเล็กวันละน้อยนะสอนํรรมะอย่าไปสอนแบบที่เขาเลี้ยงงูเคยเห็นเขาเลี้ยงงูไหมจับงูมาบีบปากให้อ้าคนะีมคีบเนื้อกระทุงใส ตัวนี้ตัวใหญ่ให้กินสองก้อนอะไอย่ี้นะตัวเล็กกินก้อนเดียวธรรมะก็อย่าไปยัดเยียดเขาทําให้เขาดูดีกว่านะเปลี่ยนตัวเองให้ให้เขาเห็นนะแล้วเขาสนใจเขาค่อยๆถามถามแล้วเราก็ค่อยๆบอกไปไม่ต้องรีบร้อนหรอกนะอย่าบอกเกินที่เรารู้ธรรมะนะถ้าบอกผิดไปบาปร้ายแรงเลยนะต่อไปเวลาเราพอนานะเวลา เราจะถูกก็มีคนมาชวนเราหลงผิดไปอีกงั้นเราฝึกตัวเองให้ดีก่อนแล้วค่อยฝึกคนอื่นพยายามภาวนาอย่างน้อยเอาโสดาให้ได้ก่อนได้โสดาอย่างนั้นก็ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วรู้ว่าอะไรเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางก็เป็นพระโสดาก็รู้แล้วอย่างนี้ก็บอกได้มากขึ้น น, นะแต่เป็นพระโสดาเวลาแสดงธรร ม, มก็ไม่มีความมั่นใจหรอกนะ สักคาคาพระนาคาอะไรเนี่ยใจมันยังไม่ไมเต็มไม่มั่นใจหรอกนี่จะรอให้พวกเราทุกคนเป็นพระอรหรันต์แล้วช่วยกันไปเผยแพร่ะนะสงสัยศาสนาจะไปไม่รอดนะเพราะวี่แววพวกเรายังไม่มีแววว่าจะเป็นพระอรหันต์สักกอดเลยงั้นเราเขาถามเราก็บอกเท่าที่เรารู้นะแต่จุดแรกเลยก็คือเราต้องเรียนให้รู้เรื่องสักก่อน หลวงพ่อฝึกสมาธิมาตั้งแต่เจขวบเรื่องสมาธิก็พูดถึงความชํานาญในเรื่องสมาธิก็ชํานาญอยู่นะในแยกแยะชนิดของสมาธิได้นี่คนส่วนมากนี่ภาวนาหลาับหูหลับตาภาวนากันไปด้วยนะไม่รู้เหนือรู้ใต้ไม่ได้ศึกษาไม่ได้สอบถามครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยคิดว่าสมาธิมีอย่างเดียวไปทําจิตให้นิ่งที่จริงสมาธิมีสองกลุ่ม กลุ่มที่เป็นมิจฉาสมาธิกับกลุ่มที่เป็นสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิคือสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติอย่างเรานั่งแล้วเราเคลิม้มลืมเนะ้ลืมตัวไปนี่เป็นมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เห็นโน้นเห็นนี่ไปเรื่อยนะใจไหลออกข้างนอกไปหลงออกข้างนอกไปไม่มีสติรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองนี่สมาธิอย่างนี้เป็นมิจฉาสมาธิออกนอกไปเอาไปทาความสงบ เฉยๆซึม ๆ, ๆไปนะหรือไม่ก็ฟุ้งซ่านไปเลยเห็นนู่นเห็นนี่ไปเลยนะอีกพวกหนึ่งก็ทําสมาธิแบบเคร่งเครียดนะขมใจยังเครียดไปหมดเลยไม่ได้มีสตินะพวกที่ใจไหลออกนอกเนี่ยเป็นสมาธิประกอบด้วยโมหนะนั่งแล้วก็เคลิ้มเคลิมสบายเผลอเพลิลนี่ประกอบด้วยราคานะนั่งแล้วก็เคร่งเครียดประกอบด้วยโทสะนะสมาธิยังเจือกิเลสอยู่นะเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้หรอก นี่สมาธิในส่วนที่ดีนะสมาสมาธิยังมีสองจำพวกอีกนะสมาธิอันแรกเรียกอารามณูปนิชานนะสมาธิอย่างที่สองเรียกลักขณูปนิชา น, นะ ใ, นในตําลามีพูดถึงนะแต่ว่านักปริยัตจะแยกไม่ออกว่ามันคืออะไรก็รู้แต่ว่ามันมีชื่อสองอันแต่แยกไม่ออกอารามณูปนิชานก็ทําถึงชาน8ปดไดนะ้ลักขณูปนิชานก็ได้ชาน8ได้เหมือนกันเลยแยกยากความจริงมันอยู่ที่ สภาวะนะตรงนี้ถ้าเมื่อไร่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งนะนี่แหละคือสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์เรียกว่าเพ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนะเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเช่นเราหายใจออกหายใจเข้าจิตเราจับอยู่ที่ลมไม่ไปห น, นีไปไหนเลยนะสงบอยู่กับลมอย่างเดียวเลยโดยที่ไม่ได้บังคับไว้นะจิตเคลา้าอยู่ที่ลมเนี่ยหรือดูท้องพองยุบจิตไปหยุดอยู่ที่ท้อง เดินจงกรมยกเท้าย่างเท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าขยับมืออย่างหนูพะเทียนขยับมือแล้วจิตไหลไปอยู่ในมือถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งแล้วนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวนยเรียกว่าอรมาโนฟนิชานสมาธิอย่างนี้มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์เหมือนกันเอาไว้พักผ่อนเอาไว้พักผ่อนอะไเข้าฌานไว้พักผ่อนทําสมถะสมาธิอีกชนิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่ง สมาที่เรียกว่ารักขันูญพนิชาเนี่ยจิตเป็นหนึ่งนะอารมณ์เป็นแสนเป็นล้านเลยนะจิตทรงตัวเด่นดวงอยู่เป็นคนรู้คนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายเกิดดับไปเรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับไปเรื่อยๆตัวจิตเองก็เกิดดับตัวอารมณ์ก็เกิดดับนะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะแต่จิตเนี่ยมีคงสภาพของความเป็นคนดูแสดงบทบาทเป็นคนดูตลอดเวลานะโดยที่ไม่ได้บังคับให้ดูนะต้องดูเอง งั้นตรงที่จิตเป็นคนดูเนี่ยยังมีสองชนิดอีกนะคือจิตเป็นคนดูที่ถูกต้องกับจิตเป็นคนดูที่ไม่ถูกต้องตรงที่จิตเป็นผู้รู้ที่ถูกต้องเนี่ยมันเกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่หลงไปทันทีที่รู้ว่าจิตมันไหลไปหลงไปเนี่ยจิตจะตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอัตโนมัติตรงนี้ใช้ได้จิตจะมีลักษณะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแกการงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ นี่บางคนพอเห็นจิตตัวนี้หลายๆทีเลยจำได้จิตที่เป็นตัวรู้เนี่ยอยู่ๆก็จงใจตั้งตัวรู้ขึ้นมาเลยตัวรู้นี่ไม่เบาตัวรู้นี่จะหนักนะตัวรู้นี่จะแข็งหนักแน่นแข็งนะทื่อๆรู้ตัวตลอดเวลาเลยแต่รู้ทื่อๆตัวรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้เป็นตัวรู้ที่ผิดนะเงั้นเรื่องของสมาธิเนี่ยวิจิตพิสดาร น, นะสมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธินะไม่มีสติประกอบด้วยราคะโทสามหาหะ สมาธิที่เป็นสมาสมาธนะินัมีสองอันอันหนึง่งมีสติอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องเอาไว้พักผ่อนเช่นอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจไม่หนีไปที่อื่นเลยอยู่ที่เดียวไม่มีเคลื่อนไปไหนเลยเนี่เอาไว้พักผ่อนเข้าฌานได้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดได้สมาธิที่ถูกต้องอย่างที่สองจิตตั้งมั่นเป็นคนดู เกิดจากการที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้เนี่ยจิตจะตั้งมั่นขึ้เนเดือดอตโนมัติเนื่องที่หลวงพ่อสอนบอกว่าเบื้องต้นให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งก่อนทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราสบายใจที่เราถนัดถนัดพุดโทโธก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธอะไรก็ทําไปนะดูท้องพองยุบขยับมือเดินจงกรมแล้วแต่เราถนัดถนัดยังไงก็ทําอย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้ทําเพื่อให้จิตสงบ แต่ทําเพื่อจะรู้ทันจิตเนี่ยความต่างมันอยู่ตรงนี้ถ้าอารามณูปนิชานเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตสงบนะแต่ถ้าจะทำลักขณูปนิชานเนี่ยทำไปเพื่อจะรู้ทันจิตทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธจิตไหลไปเพ่งความว่างว่างรู้ทันเนี่ยนะตรงที่เรารู้ทันจะจิตที่ไหลไปไหลมานะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเพราะจิตที่ไหลเนี่ยเป็นจิตที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านมีอุทัดจะ ฟุ้งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจฟุ้งได้หมดนะถ้าเมื่อไหรเรามีสติรู้ทันความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะนะเมื่อไร่มีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนั้นเราไม่ต้องไปกลัวกิเลสมากหรอกกิเลสเกิดขึ้นแล้วมีสติรู้ทันกิเลสดับเองเลยไม่ต้องทําอะไรเลยนะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยเพราะว่ากฎของธรรมะก็คือเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นไม่มีกิเลสนะฉั้นพระเจ้าถึงสอนนะ ดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาถ้าไม่ได้บอกให้ละมันนะท่าบอกให้รู้มันรู้ปุ๊บมันจะขาดสะบั้นไปเองเลยไม่ต้องทํำอะไรมันจะเห็นว่ามันมีแล้วมันก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนะยั้งถ้าเมื่อไหร่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติยนะั้งทุกวันต้องซ้อมทํมากรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะ จะพุโทโธก็ได้จะหายใจก็ได้จะพุโทโธรวมกับลมหายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะทําจังหวะขยับไม้ขยับมือนะจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งวันหนึ่งสินาที15นาทีนะแต่ทําแล้วคอยรู้ทันจิตไม่ใช่ทําเพื่อให้จิตนิ่งทำแล้วรู้ทันจิตเช่นพุโทโธพุโทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันพุทโธพุทโธจิตไปว่างๆอยู่รู้ทัน ดูลมหายใจออกหายใจเข้ามีสติรู้ลมหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าอยู่นะจิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ท pues uh ี่ลมหายใจก็รู้ทันดูท้องพองยุบก็ได้จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ทันเดินจงกรมก็ได้จิตหนีไปคิดก็รู้ทันจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันหรือเพ่งร่างกายทั้งร่างกายก็ได้รู้ทันจิตไหลไปที่ไหนรู้ทันไปเดิน รู้เฉยๆไม่ต้องไปดึงคืนถ้าดึงแล้วจะแน่นนะอย่าไปอย่าไปดึงให้รู้เฉยๆเพราะมันไหลไปทันทีที่เรารู้ว่าไหลนะั่นแหะจิตจะตั้งมั่นอันตโนมัติชั่วขณะนะสมาธิที่ได้นี้เรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกาสมาธิพระอราหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกาสมาธิพระอราหันต์ที่ทรงฌานมาก่อนนะมีน้อยนะส่วนใหญ่ก็คือคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละใช้คณิกาสมาธินี่แหละ พราะั้นอย่าไปดูถูกสมาธิช่วขณะสมาธิชั่วขณะก็พอแล้วเพราะเวลาที่อริยมรรคเกิดนะเกิดหนึ่งขณะเท่านั้นเองไม่เกิดสองขณะด้วยซ้ำไปงั้นหนึ่งขณะเนี่ยของปัจจุบันนี่แหละสำคัญที่สุดนะดีกว่ายาวๆซะอีกงั้นเราคอยรู้ทานจิตที่ไหลไปเรารู้ปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาช่วขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกนะอย่าพยายามไม่ให้ไหล ให้มันไหลไปตามธรรมดาจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดที่ก็ไหลไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานจะไหลไปคิดหรือไหลไปเพ่งในอารมณ์กรรมฐานรู้ทันว่าไหลนะจิตจะตั้งมั่นเองไม่ต้องไปไปบังคับมันนะถ้าบังคับมันจะแน่นจะกลายเป็นตัวรู้ที่ผิดตัวรู้ที่ผิดเนี่ยกลัวว่ามันจะไหลเลยบังคับเอาไว้เพ่งเอาไว้ประคองเอาไว้รักษ า, าไว้ที่หลวงพ่อใช้บอกประคองจิตเอาไว้รักษาตัวรู้ไว้อะไรอย่างเงี้ย จิมันิ่งอยู่งั้นตัวรู้อย่างนี้ใช้ไม่ได้ตัวรู้อย่างนี้ไม่แสดงความเกิดดับให้เราดูอารมณ์เกิดดับนะแต่ตัวรู้มันไม่ยอมเกิดดับใช้ไม่ได้มันยังเหลือสิ่งที่เที่ยงเอาไว้อันหนึงนะ่งนั้นถ้าพวกเราภานาแล้วรู้สึกในนี้มีตัวหนึ่งเที่ยงนิ่งๆอยู่นะแสดงว่ามสมาธิยังไม่ถูกนะยังเป็นตัวรู้ที่ประคองอยู่ตัวรู้เองก็เกิดดับเกิดดับเป็นธรรมชาตนะิอารมณ์ก็เกิดดับเป็นธรรมชาติตัวรู้ก็เกิดดับเป็นธรรมชาติ มันจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยปัญญามันจะค่อยเกิดขึ้นมานี้พอเราได้สมาธิที่ถูกต้องแล้วนันจะเห็นทุกอย่างเกิดดับได้ความสุขเกิดขึ้นก็ความสุขก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์ก็ดับไปโลภโกรดลงเกิดขึ้นโกลกรธหลงก็ดับไปนะกุศลเกิดขึ้นเช่นมีศรัทธาเดี๋ยวก็หายไปมีความเพียรเดี๋ยวก็ขี้เกียจอะไรเงี้ยนะมีสติเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไม่มีสติไปแล้วนะ มีสมาธินะเดี๋ยวก็ถูกนิวรณครอบงำซึมไปแล้วนางทีก็เดินปัญญาบางทีก็ไม่มีปัญญาฟุ้งไปเฉยยเนี่ยจิตจะหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยจำได้ไหมสมาธิสองกลุ่มมิจฉาสมาธิไม่มีสติมีราคาโทสะโมหะแทรกได้สัมมาสมาธิมีสองพวกพวกหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวพวกหนึ่งจิตตั้งมั่นเป็นคนดู อารมณ์ก็เกิดดับจิตวิวเกิดดับสมาธิที่จะใช้เดินปัญญาคือสมาธิอย่างหลังเนี่ยส่วนสมาธิที่จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้พักผ่อนแต่ตรงลักหนปณิชฌานสมาธิที่เกิดดับเนี่ยนะมันจะตั้งอยู่ที่ฐานจริงๆตั้งอยู่ที่จิตสติตั้งอยู่ที่จิตสมาธิตั้งอยู่ที่จิตปัญญาี่เกิดขึ้นที่จิตเห็นเกิดดับขึ้นมาส่วนสมาธิที่ไปเพ่งอยู่ที่อารมณ์นะจะเห็น อารมณ์เคลื่อนไหวได้เหมือนกันนะแต่ว่าดูไปดูไปมันค่อยๆนิ่งจิตก็จับอยู่ในอารมณ์เดียวเลยนะอย่างนั้นเอาไว้พักผ่อนอย่างเดียวทําอย่างอื่นไม่ได้หรอกเอาไว้พักผ่อนหรือเอาไว้ทํางานทางโลกเวลาที่เราทํางานทางโลกเราต้องจดจ่อกับงานนึกออกไหมใจต้องไม่หนีไปจากงานเนี่ยสติอะไรสมาธิปัญญาไปจ่ออยู่ที่งานเอาไว้ทํางานทางโลกหรือเอาไว้พักผ่อนทําสมถะส่วนรักหนูพันิชานที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนะ เอาไว้ทําสมถะก็ได้นะเอาไว้ทําวิปัสสนาก็ได้นะเอาไว้ทําสมบัติชนิดหนึ่งเรียกว่าพลาสมบัติก็ได้แล้วเวลาที่เกิดอริยมากเกิดอริยผลเนี่ยเป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานนี่ไม่ใช่สมาธิชนิดอรารามณูปนิชฌานนะฉะั้นสมาธิมีความหลากหลายนะยงนั้นกระทั่งได้เป็นตัวรู้ขึ้นมาแล้วไปรักษาตัวรู้ไว้ก็ผิดอีกแล้วนะเป็นตัวรู้ที่ผิดอีกแล้วเป็นตัวรู้มัจะเที่ยง ต้องให้เห็นว่าตัวรู้ก็ไม่เชียงฟังหลวงพ่อครั้งแรกก็ยากหน่อยนะแต่ก็ต้องอดทนยากก็ยากแรกๆ ฟ, ฟังไปฟังไปมันก็รู้เรื่องฟังมาที่นี่ไม่ได้ก็เอาซีดีไปฟังไม่มีซีดีก็ไปเปิดอินเทอร์เน็ตฟังมีเยอะแยไปตอนนีน้จำได้ไหมสมาธิตรงรักขณูปนิชานนี่นะใ ช, ใช้งานได้หลายแบบเลย ใช้ทำสมถาก็ได้แต่สมถาชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนะเป็นสมถาชั้นเลิศเลยตัวนี้ถ้าสูงสุดขึ้นมานะมันจะเป็นพระสมบัติสําหรับพระอริยบุคคลจะไปใช้นิพพานเป็นอารมณ์ตัวนี้งั้นตรงพระสมบัตินะเข้าจากตรงนี้นีโรถสมบัติก็ผ่านจากตรงนี้ไปอีกที น, น่ะแล้วก็ใช้สําหรับเดินมิปัสสนาเดินปัญญา ใช้มันไม่ได้ใช้มันเกิดเองตอนที่เกิดอริยมรรคเกิดอริยผลจะเป็นสมาธิชนิดลักขณูปนิชฌานสมาธิอย่างนี้สําคัญที่สุดเลยตอนเจ้าชายสิทธัตถะตอนเด็กๆนะบารมีท่านเต็มนะท่านไปนั่งสมาธิตามธรรมชาติของท่านเองนะท่านได้ลักขณูปนิชฌานได้ปฐมฌานตอนอายุ29ออกไปบวช ออกบวชไปอยู่กับฤาษีเดี๋ยพวกเราเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยเหมือนกันหมดนะพวกเราก็เหมือนเจ้าชายสุท ธ, ธัตถะทุกคราวที่คิดถึงการปฏิบัตินะสิ่งแรกที่จะทําก็คือนั่งสมาธิแล้วก็นั่งแบบฤาษีด้วยนะเกือบร้อยละร้อยที่นั่งสมาธิสมาธิฤาษีทั้งนั้นนะคือสมาธิที่จิตมันไหลออกไปจิตมันไม่ถึงฐานหรอกไม่ตั้งมั่นหรอกจิตมันไหลหไปอยู่กับอารมณ์ ข้าช่ยศรีท่ า, าไปเรียนจนได้ชานแปดตอนติงเด็กได้ปฐมฌานนะแล้วก็ตอนอายุยีิบเก้าไปไปอยู่กะลือศีเรียนได้ฌานที่แปดปฐมฌานฌานหนึ่งนี่ได้ฌานแปดแล้วท่านพราะว่าไม่ใช่ทางฌานแปดนี่ออกจากฌานนี้มานะกิเล ย, ยังเกิดอีกไม่ใช่ไม่ใช่ทางท่านไปทรมานร่างกายอยู่หลายปีนะสุดท้ายช่วงท้ายๆเนี่ยท่านเฉลียวใจนึกถึงทางสายกลาง ถึงสมาธิตอนเด็กๆได้ท่านก็เพิ่มทำสมาธิอย่างตอนเด็กๆขึ้นมาอีกทีหนึ่งขเข้ามาถึงฌานที่สี่งแล้วก็มาดูปฏิจจสมบาทเห็นปฏิจจสมบาทบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้นักปริยัติท่านจะงงกันว่าทำไมเข้าฌานแปดได้มันก็ต้องผ่านฌานหนึ่งแต่ก็บอกว่าไม่ใช่ทาง แล้วก็กลับมาทําแบบชั้นหนึ่งสองสามสี่ขึไต่ขึ้นมาอีกนะล้วบอกว่าอันนี้เป็นทางเพราะว่าสมาธิมันมีสองชนิดแต่ว่าฝ่ายปริยัตย์ยังไม่เข้าใจตัวนี้งงถ้าพวกเรานักปฏิบัติยังไม่งงอะสมาธิมันคนละชนิดกันไปทําสมาธิอย่างฤาษีเนี่ยจิตจะไหลไปเช่นไปรู้ลมหายใจนะจิตไปจับอยู่ที่ลมต่อไปลมเนี่ยจะตื้นตื้น ต, นต้นกลายเป็นแสงจิตไปจับอยู่ที่แสงต่อไปเนี่ยจิตจะเกาะอยู่ที่แสงเลยนะแล้วควบคุมแสงได้ ให้เล็กลงมาเท่าปลายเข็มเลยเวลากําหนดแสงให้เล็กเท่าปลายเข็มเนี่ยนะความเข้มของแสงเนี่ยจะเข้มจัดๆเลยนะเข้มแบบเข้มสุดขีดเลยหรือจะแผ่ขยายออกไปนะเหมือนเราเป็นผ้าทิศพระจันนะแผ่กว้างกวางออกไปก็ได้เล็กลงมาก็ได้นะเล่นอยู่เงี้ยนะจิตใจมันจะร่าเริงเบิกบานมีปีติขึ้นมานะจิตจะจะมีปีติอยูนะ่มีความสุขได้ฌานที่หนึ่ง ต่อไปเนี่จะรู้ว่าจิตยังเคลื่อนไปที่แสงจิตยังมีวิตกคือการตรึกถึงแสงมีวิจารณ์คือการเคล้าเคลียอยู่กับแสงพอรู้ตัวนี้ตัวนี้ขาดนะจิตจะทวนเข้ามาหาจิตอันนี้จะได้ชั้นที่สองที่ถูกต้องนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีหรอกชั้นที่สองที่เป็นตัวรู้เกิดขึ้นในชั้นว่ายากไปทําสมาธิที่ง่ายๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งทุกวันแบ่งเวลาไว้10นาที15นาที ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาะพุทโธพุทโธพุทโธจิตหนีไปเรารู้อะไรเงี้ยรู้ลมหายใจจิตหนีแล้วรู้อะไรเงี้ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆฝึกไปเรื่อยจิตเคลื่อนไปที่ไหนรู้ทันจิตเคลื่อนไปที่ไหนรู้ทัน่อไปจิตเคลื่อนแล้วปุ๊บสมาธิมันจะเกิดเองอัตโนมัติขึ้นมาจิตใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวคนไทยโบราณนัมีศัพท์อยู่คํานึงคําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมรู้เนื้อรู้ตัวะ รู้เนื้อรู้ตัวถ้ารู้เนื้อรู้ตัวแล้วจะเห็นอะไรก็เห็นเนื้อเห็นตัวเห็นกายเห็นใจตัวเองนะเห็นไฟมากๆเข้ารู้ว่าไม่มีตัวนะสุดท้ายจะเห็นเ้ามันไม่มีตัวหรอกมีแต่รูปกับนามแต่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราได้ยินเสียงะระฆังมันคลางไหมนะตอนที่เสียงไม้ตีกระทบนะมันเสียงอันหนึ่งนะ ตอนที่เสียงที่มันสะเทือนเนี่ยเป็นอีกเสียงหนึ่งแยกออกไหมนะอันนี้เขาเปรียบเทียบ<ๆ> อ, องค์ฌานสองตัวนะตัวตัววิตกะ่ะนะเหมือนตอนที่เอาไม้ไปเคาะมันตรง ว, วิจารเนี่ยนะเหมือนเสียงที่กระหึ่มตามมานะมันต่อเนื่องกันเลยนะเคล้าอยู่ด้วยกันนะคเคล้าเคลียจิตมันคเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์โดยไม่เจตนานะถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลออกไปอยู่กับอารมณ์นะ จิตจะตั้งมั่นจะได้ตัวรู้ขึ้นมาวิธีได้ตัวรู้มีสองวิธีหลักๆวิธีหนึ่งทำฌานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะพอถึงฌานที่สองจิตตัดวิตกวิจารณ์ออกตัวรู้จะเกิดขึ้นนะอันนี้ฌานอันนี้หมายถึงลักขณุ ป, ปนิชฌานนะถ้าไปวิตกวิจารณ์อยู่ที่โน่นนะแล้วก็เพิ่กออกไปแล้วก็ว่างๆอยู่นะั้นแล้วก็มีปิติมีสุขอยู่ข้างนอกนะอันนั้นจะเป็นอารมณุ ป, ปนิชฌานนะ อันนี้จิตตั้งอยู่มันจะทวนกลับเข้ามาที่จิตงั้นในพระเตยปิโตเขาพูดถึงศั์คำหนึ่งว่าเอโกที่ภาวะเกิดในฌานที่สองอันนี้คือลักขณูปนิชฌาน น, นี่ถ้าพวกเราทำฌานไม่เป็นเนี่ยใช้วิธีรู้ทันจิตที่เคลื่อนทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนจะได้สมาธิลักขณูปนิชฌา น, นหนึ่งขณะชั่วขณะหนึ่งชั่วขณ ะ, ะแวบรู้สึกแวบรู้สึกนีบ่อยๆอยได้รู้สึกตัวขึ้นมา เอาตัวนี้พอเรารู้สึกตัวบ่อยๆแล้วนะต่อไปจิตมันเริ่มชินที่จะส่งตัวรู้ตัวอยู่จิตใจอยู่กับเน้อกับตัวแล้วเนี่ยก็จะก้าวไปสู่ขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติแล้วคือขั้นเจริญปัญญานะเพราะั้นก่อนที่จะเจริญปัญญาต้องเตรียมจิตให้พร้อมซะก่อนจิตต้องมีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนถ้าจิตไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันตรงข้ามกัน จิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งทําวิปัสนาไม่ได้จิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถึงจะทำวิปัสนาได้เพราะวิปัสนาแปลว่าอะไรวิแปลว่าแจ้งปัศนาว่าการเห็นเห็นจริงๆเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นไตรลักษณ์นั่นเองเห็นเอาดังนั้นถ้าจิตไม่ใช่ผู้เห็นนะแต่จิตเป็นผู้คิดนะมันก็ไม่สามารถทําวิปัสนาได้เพราะนั้นจิตต้องเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นนั่นแหละถึงจะทําวิปัสนาได้จิตถอนตัวออกจาก รูปจากรูปประธรรมนามารำนะถอนตัวออกมาแยกขันออกไปร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิตความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งความจําได้หมายรู้อยู่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วยอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ต่างหากเป็นคนดูนะทีก็กลายสภาพเป็นวิญญาณจิตแปลสภาพเป็นวิญญาณหมายถึงว่ามันแสสายออกไปนี่วิญญาณพระเนจรเคยได้ยินไหมวิญญาณพระเนจรพระเนจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลายวิคิดเนี่ยนะ ก็เป็นมโนวิญญาณไหลไปรู้เรื่องที่คิดเป็นมโนวิญญาณงั้นจิตเนี่ยจิตแกวิญญาณกระใจตัวเดียวกั น, นเป็นตัวเดียวกันแต่ว่าทํางานคนละแบบนะงั้นเวลามันแปรสภาพเป็นวิญญาณเชน่นมันวิ่งออกไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปคิดเนี่ยเป็นวิญญาณจิตเป็นคนดูเป็นผู้รู้ แต่ที่จิตถ้าไม่มีคุณภาพจะไม่ใช่เป็นผู้รู้นะจะเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แตง่งนะธรรมะของพระเจ้านะลึกซึ้งกว้างขวางมากนะอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจด้วยตัวของตัวเองถ้าอดทนนิดนึงไปฟังซีดีบ่อยๆเอาไปกินท่าวไปนิมนต์นะครับนิมนต์